พระบัญญัติ856รก็ภิกษุณีใดเข้าไปสู่ตระโกนในเวลาวิการปูหรือใช้ให้ปูที่นอนโดยไม่บอกเจ้าของบ้านแล้วนั่งหรือนอนต้องอะบาดปาจิตติเรื่องภิกษุณีหาย